แนวอธิบายอริยสัจโดยสังเขปอัทธกถาที่เคยอ้างคือวิสุทธิมักสัมโมหวิโนธนีและสัทธธรรมะประกาศนีได้เปรียบเทียบอริยสัจสีไว้เป็นข้ออุปมาในยะต่างๆมีบางข้อน่าสนใจเช่นข้อก่อทุกข์เหมือนโรคสมุ ท, ทยัย เหมือนสมุทฐานของโรคนิโรธเหมือนความหายโรคมักเหมือนอยารักษาโรคข้อข อ, ขอทุกข์เหมือนทุบพิฆภัยสมุทรไทยเหมือนฝนแล้งนิโรธเหมือนภาวะอุดมสมบูรณ์มักเหมือนฝนดีข้อข อ, ขอทุกข์เหมือนภัยสมุทรไทย